การทดลองเกี่ยวกับมนุษย์การทดลองเพื่อพิสูจน์ผลดังกล่าวได้กระทำกันมาอย่างเห็นผลเป็นที่พอใจแล้วในสัตว์สำหรับมนุษย์กำลังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็เป็นที่คาดหมายกันว่าน่าจะเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันและถึงอย่างไรก็ตามประโยชน์ที่พึงจะได้จากการค้นคว้าในเรื่องนี้จะมีอย่างมหาศาลทีเดียว ศูนย์การค้นคว้าเพื่อหาความจริงในเรื่องนี้มีอยู่ด้วยกันหลายแห่งโดยเฉพาะที่เมืองบันติมอร์มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งดําเนินการค้นคว้าในเรื่องนี้อยู่โดยมีวิธีการทดลองดังต่อไปนี้คือเขาให้คนไข้นั่งบนเตียงข้างหน้าคนไข้มีไฟสัญญาณสามดวงดวงละสีทํานองเดียวกันกันกบไฟสัญญาณจราจรตามสี่แยกฉะนั้น คือไฟสีแดงอยู่ข้างบนสีเหลืองอยู่ตรงกลางและสีเขียวอยู่ข้างล่างวิธีการก็คือเขาหัดให้คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจหรือสำรวมใจหรือน้อมจิตไปเพื่อบังคับให้อัตราการเต้นของหัวใจของตนที่เต้นเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปนั้นได้กลับมาเต้นในจังหวะที่ปกติคือว่าพอดีพอดีในขณะเดียวกัน เขาก็นำเครื่องมือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกหลายอย่างที่สามารถจะวัดความดันและอัตราการเต้นของหัวใจได้มาแปะไว้ที่ตัวคนไข้ตามอวัยวะต่างเพื่อที่นายแพทย์ผู้ควบคุมการทดลองจะได้อ่านผลของการทดลองที่ได้จากหน้าปัดที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นและพร้อมกันนั้นคนไข้ก็สามารถรู้ผลของการนึกของตนเองได้ทันทีด้วย จากการสังเกตดูไฟจราจรสามสีที่ตั้งอยู่ข้างหน้าตนนั่นเองคือว่าให้ตกลงกันล่วงหน้าไว้ก่อนว่าถ้าหัวใจของคนไข้เต้นเร็วเกินไปจะปรากฏเป็นไฟสีเขียววาบขึ้นถ้าเต้นช้าเกินไปก็จะปรากฏเป็นไฟสีแดงวาบขึ้นแทนที่เมื่อใดที่การเต้นของหัวใจอยู่ในระดับสม่ำเสมอหรือปานกลางดี ก็จะปรากฏเป็นไฟสีเหลืองขึ้นโดยในนี้คนไข้ก็สามารถจะรู้ผลได้ทันทีและพร้อมกันนั้นก็จะสามารถทราบได้ว่าตนจะต้องทําใจอย่างไรจึงจะทําให้ไฟสีเหลืองสว่างขึ้นและจะได้พยายามประคับประคองให้สภาวะทางใจของตนอยู่ในระดับนั้นนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ วิธีการแบบนี้นายแพทย์ผู้ทำการทดลองกล่าวว่าได้ดำเนินการทดลองอย่างได้ผลดีมากมาแล้วสำหรับสัตว์แต่สำหรับคนนั้นรู้สึกว่าผลจะเกิดขึ้นช้ากว่าสัตว์สักหน่อยและการทดลองก็ต้องกระทำกันอย่างระมัดระวังมากกว่าสัตว์เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายแก่คนไข้ได้คือจะทดลองมากนักหรือนานนักโดยไม่ให้การรักษาทางยาก็ไม่ได้ เพราะคนไข้ส่วนมากก็ต้องการรักษาทางยามากกว่าแต่สาหรับสัตว์จะทดลองเป็นนานสักเท่าใดโดยไม่ให้การรักษาทางยาเลยก็ย่อมทาได้ความแตกต่างระหว่างการทดลองกับคนและสัตว์อีกประการหนึ่งก็คือเมือ่อใดที่ประสบความสำเร็จคือมีไฟสีเหลืองปรากฏขึ้นต้องมีการตกรางวัลเป็นอาหารของปโปรดให้แก่สัตว์เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจและเกิดความเคยชินแต่สําหรับคนนั้นเกิดความรู้ว่าตนมีความสามารถทำให้ไฟเหลืองสว่างขึ้นได้นั่นเองเป็นรางวัลอย่างเพียงพอในการทดลองด้วยไฟจราจรดังกล่าวนี้แพทย์ผู้ควบคุมได้ใช้วิธีการทางจิตวิทยาเข้าช่วยเล็กน้อยคือในชั้นแรก เขาได้ตั้งเครื่องทดลองให้มีความไวเป็นพิเศษเพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในทางที่ต้องการไฟเหลืองก็จะวาบขึ้นทันทีทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องให้กำลังใจแก่คนไข้ในระยะแรกๆก่อนต่อไปเมื่อคนไข้มีความชำนาญในกระบวนจิตของตนขึ้นก็ปรับเครื่องให้มีความไวน้อยลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคนไข้เรื่อยๆโดยคนไข้ไม่รู้ตัว ดรทีโอดอร์ไวส์ซึ่งในปัจจุบันประจำอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแห่งรัฐฟิลาเดลเฟียมีคนไข้ยอยู่รายหนึ่งซึ่งได้ผ่านการทดลองรักษาแบบนี้อย่างได้ผลดีมากทั้งๆ ท, ที่แต่เดิมก็มีอาการของโรคหัวใจแทรกซ้อนหลายประการอย่างร้ายแรงและที่สำคัญก็คือ แม้หลังจากที่ได้รับการรักษาแบบนี้แล้วก็สามารถมีสุขภาพของหัวใจได้ดีต่อไปเป็นเวลา น, านานกว่า2ปีแล้วและที่ปรากฏผลดีในทํานองเดียวหรือใกล้เคียงกันนี้ก็ยังมีอีก8รายดรไวส์และดรแองเกลผู้ร่วมงานของเขาคิดว่าจะเขียนรายงานอย่างละเอียดของการทดลองกับคนไข้ทั้ง8รายนี้ลงในวารสารทางแพทย์ เพื่อให้เป็นที่แพร่หลายทั่วไปในเร็วๆนี้จากการทดลองดังกล่าวมาแล้วทั้งแก่คนและสัตว์ทำให้นักวิทยาศาสตร์สรุปลงความเห็นได้ว่าอำนาจของความคิดหรืออำนาจของสมองหรือพูดในแง่ของศาสนาว่าอำนาจใจและพูดแบบสำนวนสมัยใหม่ว่ากำลังภายใน อำนาจของความคิดหรืออำนาจของสมองนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมบังคับสภาวะของร่างกายหรือสุขภาพของร่างกายการทดลองค้นคว้าในด้านนี้ที่ดำเนินมาส่วนหนึ่งก็มีความมุ่งหมายจะหาวิธีควบคุมและรักษาโรคของร่างกายด้วยกําลังความคิดและอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อมุ่งหมายที่จะศึกษาให้รู้แน่นอนว่ามันสมองของมนุษย์ ซึ่งเป็นเครื่องที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์มากมายนั้นจะมีอำนาจบังคับและควบคุมร่างกายได้เพียงไรและมีขอบเขตจำกัดแค่ไหนอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันอยู่เหมือนกันว่าเมื่อถึงคราวเข้าจริงๆความต้องการหรือสภาวะของร่างกายจะดำเนินไปถึงจุดที่มันสมองไม่สามารถจะบังคับหรือควบคุมได้ และแล้วก็จะต้องให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันตามธรรมชาติคือต้องใช้ยาช่วยด้วยหรือไม่ก็ตายไปเลยแต่ถึงกระนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องการที่จะทราบให้แน่นอนว่าขอบเขตของมันสมองนั้นจะอยู่ที่ไหนดังนั้นการศึกษาเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและความเกี่ยวข้องระหว่างอำนาจของมันสมองและร่างกายจึงยังดาเนินไปอยู่อย่างกว้างขวาง ที่สถาบัน rocky p h i l l i p ด o alan harris แห่งมหาวิทยาลัย john h o p k i n s ได้ทดลองกับลิงบาบูลและได้ฝึกหัดให้มันสามารถควบคุมความดันโลหิตของมันส่วนดร miller และดร c t di cara แห่งมหาวิทยาลัย rocky p h i l l i ก็ได้ฝึกหัดให้หนูสามารถปรับอัตราการเต้นของหัวใจของมันให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้ถึง 20% ซของอัตราเต้นปกติของหัวใจ จากการทดลองเหล่านี้แม้ว่าเราจะต้องยอมรับว่าหัวใจของสัตว์กับมนุษย์ทำงานไม่เหมือนกันทีเดียวก็ตามแต่ก็แสดงว่ามีช่องทางที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไปอีกมากเพราะว่าถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ว่าจะแตกต่างกันไปเสียทุกประการเพราะการค้นคว้าดังกล่าวได้ดำเนินไปอย่างกว้างขวางคือไม่เฉพาะแต่จะทดสอบความสามารถในการบังคับควบคุมเท่านั้นแต่ยังได้ทดสอบดูว่า จะมีผลในทางร่างกายหรือทางเคมีเกิดขึ้นแก่ร่างกายบ้างหรือไม่เพียงใดที่จะเกิดจากความสามารถนั้นๆ